พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเงินซื้อความตายไม่ได้หลังในความสะด มีอะไรหลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้นี่แต่ลูกเหมือนเจ้าพบคุมิสาเร็จกัานยืนมองพวกลูกหลานนะขั้นะท่านไม่ฉันอะไรนะท่านสบายหลวงตาคนเหมือนกันหลวงตาก็นอนปล่อยระยะหดตับายเหมือนกัน ไ ม, ไม่ไม่รุ่เรืองวุ่นวายเหมือนพวกเราพวกเรามาอยู่มากินเรื่องสารพัดสลรพัตจุเรา ก, ก็าควรตั้งเร็จเป็นลูกเหมือนนะดูแลลักษณะของ่าเหมือนแต่ของโรงตาโนี่ยพ่อดูไปหน้าเหมือนเหมือนจริงๆแต่ว่ามือของโวงตาเนี่ย วาง ม, มือข้างบนนะเนี่ยปล่อยห่างเกินไปถ้าขยับมาสักหน่อยไปยันวางอริยาบทอริยาบททิ้งขังมันดูดูวกับกุริยาขององค์กาเยอันนี้อริยาบททิ้งขั น, นก็เลยป่อยมือแบบแบบปล่อยวาง ด, ดูดูดูนะครับ ศิลปิจินตนาการของเขาเนี่ยใช้ได้คเด็กเก่งมากลูนี่เหมือนลูกดวงตาลูกนี้ลูกที่นอนศิลปินคุณลอลูกดวงตาทองเหลืองเหมือนเหมือนมากตกุนธุ์เกามองดูก็รู้ได้ว่าเป็นเก้าพุฒิจำยนสงบอลแต่บางลูก ไอ้ที่เขาอมาลูกนั่งบางทีลูกนั่งลูกอะไรเหมือนแต่ชื่อเหมือนแต่ใบหน้าไม่เหมือนแต่ชื่อเหมือนตามหาโกนหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มั่นใครทําที่ไหนจะเหมือนทํำไม่เพราะลูกหลวงปู่มั่นมีลูกน้อยมากมีลูกสามสีอริยะตัวกันลูกหลวงปู่มั่นนะ ล, ลูกล้อตามม า, าพวนผู้ที่ทำเหมือนได้เก่งมา ก, กเพราะอรเพราะอริยบทของลูกต า, น, า, น, านี่สมัยน้อยสมัยหนึ่งสมัยเดินสมัยยิ้มสมยัยอะไรเขาถ่ายลูกออกมาน่มันท่านมีหลายหลายอริยบทแต่ได้ผู่มามาปล่อลูกไม่รู้จะอริยบทไหน มาใส่เข้าไปบางทีประสมประสานพอออกมาเดี๋ยวดูไม่เหมือนก็มีนะอยากรูปที่คุดที่ล้มตาให้าสิงนักปิดมือเอกนะพอทำไปแล้วดูแล้วไม่เหมือนเลยแต่นั้นเ็าคงจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอร์หม่เข้าไปเนี่ยอันนี้ดูแล้วการหลอรูปหล่อลูกตาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ มันแค่ของทำได้เงๆาๆเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อออกมาแต่ตีห้ามาที่วัดโพธิสมพร ล, ลูกหลานโพดาย ช่วงเสียงดังออกไปทางน อ, อกก่อนนั้นหลุดรันนะ <c oughs> เานรา ไ, ไปนั่งอยู่ในรถก่อนไปไปนั่งอยู่ในรถหลวงพ่อพูดเจอเก่อนจค่อยคอย่ค อ, ยคอยข้อมามันเป็นเด็กมันใหญ่เจ้ก่อนค่อยมาฟังเสียงโหลงตาหลวงพ่อออกมาแต่ตีห้านเช้าวันที่สิบสามวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เชา้า แล้วก็มาปินธบาทที่วัดโที่สมพรพาร์ททั้งหมด105ร้อยห้าโรคที่เขาประกาศแต่ตามไมิติคงจะกว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนจักทาตุแยกโรคไซบาสล้นหลมามเมื่อวานปินธบาทไม่รู้กี่สายพี่น้องชาวรอนของเรามาทั้งหมดใ น, ในวันแต่งอง พ, พระราชาธานชริระสังขานของหลวงปู่จันทร์ศรีจันททิโพ เจ้าอาว่าสวัดโพธิส ม, ลมผลหลวงปู่ใหญ่ของเราอ า, อายุร้อยสี่ปีแล้วก็พอฉันนั้นฉันเสร็จก็เขาก็ประกาศว่าบ่ายโมงจะมีการเคลื่อนชรินะสังขารของหลวงปู่มาสู่เมร์มาสู่ที่กนกหัดชรีเลนที่จะกรพราชิทานเพลิชรินะสังขารของข้าบ่าย2องหลวงพ่ออู่ ฉันจะขันเสร็จก็ประมาณส0บนาิกาก้านาฬิกากว่าเกือบสิบนาฬิกาเราควรจะมาพักที่วัดรวงทางก่อนเมื่อวานในยพอฉันงานเสร็จดูอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยมาพักที่วัดวรวงทเมื่อวานประมาณทักบ่ายโม่พ่อคิดว่าคงจะออกเดินทางกับหลว่อพอบ่ายโมฝนตก ยากมากเลยวัเนี้ท่านฟ้าร้องด้วยต่างหากหลวงพอโวยไปไม่ได้หรอเพราะหลงพ่อไม่ใช่พาน้อยพานุพอไปในเมรุไปเอาธารีละสังขารท่านออกมาหลวงพ่อตูถูกฝนมาต่อตาเลยเป็นบัดเป็นไอหลวงพอไม่ใช่พาน้อยพานุหล อ, อ, รร อ, องลอาาาาาาแอส่สรัทธา ญ, ญาติโยไม่ไปยละ ถึงหลวงพ่อจะไม่ไปศรัทธาแย่โจรลุกหลานก็คงจะเอาสริละสังขารลูกปู่มาได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วหล่ะนะลูกปู่คงไม่อยากจะให้เราไปตะมั่งเป็นภาระมากเกินไปหล่นฟอกเลยเข้าข้างตัวเองอแอ่ก็เลยไม่ได้ไปเมื่อวานก็เลยพั ก, ก, กพ่อโอ้ฝนก็ตกอะผ้ามคืนเรือลางพอถึงฝนคืนก็ตกนะเมื่อเช้าก็ตกอีก เนี่ยอันนี้ก็คืองานตลวแต่ ว, วันนี้เรงพอร่อาจารย์ที่วัดพวงคำมาพักที่นี่องจทร์ตอนเช้าพอตอนเช้าสักประมาณสักบ่ายโมย่ทราบว่าช่องเจ็ดมาจากขอนแก่นจะพาสัมผณ์หลวงพ่อเกี่ยว ก, กับหลวงปูาา่วัดโพธิสงครกับหลวงตามาหาบวนรู้จักมักคุ้นกันมากน้อยแค่ไหน ที่หลบข้อได้รับรู้รับทราบไปหลวข้่อก็จะเลเรียนให้พลูกหลานได้ทราบเหมือนกันนั่นแหละผมถามอะไรมาหลวงพอทราบปัญาไหนรู้รู้อันไหนหลวงพอก็จะบอกกล่าวให้ลูกหลานได้รับรูรับทราบหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา10กว่าปีแล้วก็ดลงตามาวัดปูนที่สงขร์วัดปที่สงขร์ก็เข้าไปหาดวงตา ในฐานะลูกหลานก็คอยดูคอยรับรู้รับทราบอยู่ตลอดคอยขอบคุณครูรู้แนวจดีวัตนที่ทธแนวปฏิปทาแต่ละครูบากาจารแต่ละทั้งสองท่นคงจะคู่ให้ใบ้ฟังคงจะไม่มากกว่านอยกอย่างนั้นได้นะนะพร้อมกัน ตอนเย็นของวันนี้วันที่15ประมาณครึ่งๆประมาณ6โมงกว่า 10, 17, 1เอนาฬิกาจะมีการสวดพระอภิธรรมในงานของหลวงปู่ประโสดิเสร็แล้วก็สมส่วนแล้วก็จะมีการฟังพระธรรมเทศน า, าตอนเย็นวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลนนนงนะข้าพนิมลหลวพ่อจะแถลงธรรมในวันนี้นะ ประมาณครึ่งครึ่งที่วัดโพธิสมพรจากนั้นก็เมื่อแสดงธรรมจุลวรณ์ที่ซี่โกร์ก็จะมีฉานพระทหารปิน่นคงจะไม่ปิ่นทวารเท่านัจะไม่มีปิ่นทวาทรก็จะมีการจุ่งเหวี่ยงวุ่นวายเกินไปไม่มีการปิ่นทวาร ท, ที่วัดวัดโพธิสมพรและก็ตอน เวลาไหนพวกเราดูนะหมายกำหนดการองพาเจษเดจเป็นประธานฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็สมเด็จพระสันคราชท่านเจด็จมาพร้อมกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ออองหลวงปูพกเรเป็นพระราชอาณะรอรอรอสมเด็จนะอายุของท่านเขามากเป็นปูเชนนีบุคคล เป็นที่เคารพสักการะของบรรพชิตและคาราวะาพวกมูเร่าเพราะนั้นพวกมูเราจะให้น้อมรักปราบฤทธิ์คารวะชริยะสังขารของอโงค์หปู่วันที่สิบกวันพรุนี้แล้วก็จะมีพิธีกรรมพิธีการมากแต่ฟังรู้ผมจะไม่มีการแสดงธรรมเพราะว่า มีการรับเสด็จด้วยมีอะไรด้วยผมคงจะไม่มีแต่ตอนเยนจะมีการพระราชทานเพิงรีะสังขารของลวปู่จิงแต่เวลาเท่าไรัพเรากรู้เนขาคงจะประกาศให้สถานแทดล้มได้ทราบนะอันนี้แหละคืองานของโลวปู่อาจารย์ีอาจารย์ทัีโปวัดโพธิสมพรที่พวกเราจะได้ไปร่วมกันพาพวกเราคาะูกานทั้งหลายที่ยิน เขาประกาศแล้วบอกเขาโฆษณายัางไงก่อนแต่เราผู้องกันเพราะพระรทานเพื่อนชลิะสังขารลงปู่ข้าเพียงครั้งเดียวไม่มีสองครั้งะไม่มีจากมดธยีอีว่าพระราชทาน์เพื่อนชลิลสังขารปูจันท์สีจันททีโปเป็นครั้งที่สองไม่มีครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกครั้งเดียวนั้นถึงถึงเกิดุ้ป ย, ยาห์เ ขนาดไหนพอที่จะไปได้ก็ควรจะไปกราบคาวรวะหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายนะส่งส ก, การเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงปู่นะและวันนี้หลวงพ่อเด้มาที่วัดหลวงดำอ่อนานก็น่าก็ต้องควนแต่กันมามาเห็นศาลาที่เรากําลังสร้างขึ้นใหม่แต่ตามวิจิตรที่ว่าจะเสร็จตั้งแต่เิดือนพฤษภาตามสัญญา แต่นี่มันมีปัญหาในล้าอย่างเกี่ยวกับองพระที่มาด้วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบได้สูงแต่อีกเรื่อนี้ประมาณสัก7จ8 0ประมาณ 80%, าณ80ขสิบเปอร์เซนตหวงพดูแล ว, ว, น, วนเต็คนลหละแต่หลวพ่อมองบอ ง, บองแล้วอู้น้านตกลมสลามันสูงแล้วก็ไม่มีต้นไม้เหมือนวัดหลวงพ่อแล้วก็ชายพาก็ประมาณสักสอง มันจะฝนสานะดนในพื้นที่หนาสาราฝนสาในร่มพ่อในหัดเข็มันแต่อยู่บ้านตาแต่มาเห็นสาราหลัง น, นี้อนของโครงรจแล้แต่ก็ยังดีสาราหลัง น, นี้ผมมันเป็นหินหินเปลเนกภูถึงอย่างไรก็มันเปียกมาก็แห้งแล้วก็เช็ดง่ายแต่บ้านตามันเป็นไม้นะมันซึมซับแต่ก็ ง, งก่ากร ต่อไปภายภาคงานหลวพ่ อ, อคงจะทำเหมือนกับนาคําน้อยนะคงจะตั้งเทาตั้งเสาแถวอีกแถวหนึ่งจึงใส่ข้าวออกมาอีกข้อหนึ่งจึงจะผ่าสุขได้ทาไมางไั้นดูแล้วสูงสูงตาราสูงนะครับมันที่อยู่ในที่โลกมันอยู่ในที่โลกพร้อมที่จะโลภะ ไอ้ผลเข้าไปในสาราดิเปียกหมดนี่อันนี้หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็เด็กสังเกตสังเกตใน ล, ลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยและก็วันนี้อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้สร้างพ่อจันท์จันทร์เสร็จตอนเย็นหลวงพ่อไปแสดงธรรมนี่แหละอันนี้ก็พวกเรามีแต่ว่า <c oughs> จะเผาคนอื่นพระอาจารทานองค์ท่าน แต่ลืมคิดถึงตัวเองเหมือนกันนะคณะกฐาญาติโูมลูกหลานนะควรจะคิดถึงตนเองบ้างและลึกถึงความตายของตัวเองบ้างก็ดีเพราะความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไ ม, ไม่อเนจจังนะความตายเป็นนิจจังคือของเที่ยงเกิดมาเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นไปได้แต่เราจะทำยังไงมตนจะมีทางออก ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางหลักฐานเอาไว้แล้วก็ให้ประกอบคุณงามความดีสัมสมุกุกสมอย่างมัวเมากับสิ่งภายนอกจนเกินไปที่เราสอดแสวงหาทรัพรย์ก็ยเป็นหนทางเรื่องคอเครื่องเลียชีพของเราแต่เราจะหาทรัพยสมบัติว่าเป็นที่ระดัประเสริฐเป็นสานาราณสีเป็นสัตว์เป็นสีของเราทีเดียวก็ได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่ไม่ตลอดเพราะเร า, าหาอาหารให้ทางกายเท่านั้นแต่อาหารจิตใจนั้นของเราขาดตกบกเพ่งหรือเปล่าอาหารกายส่วนอาหารใจส่วนหนึ่งอาหารใจเป็นยังไงหลวงพ่อเนี่ยต้องศึกษาเน่เพราะวิชาในในโลกนี้มีมากมายต้องศึกษาวิชา พ, พระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาวิชาในทางพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะรู้ได้ว่าวิทย์ อ, า, อาหารของใจนีนคืออะไรอาหารของกายคืออะไรอาหารของกายเราเรียนรู้ปัจจัยสีข้าวนาโภชนะอาหารคือเงินภูมิเงินไม่เป็นปัจจัยหลักเป็นแก้วสาพัดนเราซื้ออะไรก็ได้แต่ซื้อความตายไหมไม่ตายซื้อไม่ได้ แต่ซื้อย่างอ่ซื้อได้มีหลายอย่างะซื้อได้ตัวมีหลายอย่างอย่างวันกันที่ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ชะลอความแก่อึดหน่อยไม่ให้เจ็บนคนิดหน่อยได้แต่มันเจ็บจริงๆไม่ไหวอีกต่างซื้อไม่ได้ซื้อไม่ให้ตายได้ชะลอความตายก็ได้แต่ไม่ให้ตายเฉยๆก็ไม่ได้นี่ซื้อซื้อได้น แต่ว่าซื้อทั้งหมดไม่ได้เงินนะเนี่ยสรุปแล้วก็คืออย่างที่หลงพ่อได้พูดเงินถึงจะหาม า, มากขนาดไหนส่งเราถึงโรพยาบาลส่งไปหาหมอหมอก็รักษาเต็มที่ฝนเลทุกให้หมอมากขนาดไหนก็ไม่เจ่บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายไม่ตายไม่ป่วยให้หาย จะเท่าไหร่หมอก็ยกมือกยกโงงเขายอมแพ้เหมือนกันเพราะหมอเองก็จะตายเหมือนกันเรักษาได้พอประมาณแต่วรสุดรักษาสุดแล้วก็จบพอสุดความสา ม, มารถของหม อ, อ, อจากนั้นก็เอาศพมาบ้านญาติปน้องปนลุงกันมาจัดงานศพลูง ก, กันมา รักขนาดไหนลองผมลองให้ขนาดไหนโภชนสุขโองค์ใส่คีมใส่นมถึงวันคบกำหนดอย่างลหลงปูนแห่ดอมามา้เอาเข้าท้องหกถึงอาจจะรีเร็ ง, ง เ, เสร็จแล้วกวันพรุนี้แนหะวันนี้วันพูุนีนะ้พวกเราก็าได้ไปวางดอกไม้จัน ไ, นไปวางเขามีกระบะดอกไม้จันทร์ไปจนถึงกระปนมืมอ สาธุเนอร์หลวงปู่ปูกขายเองได้ประมาณิพาดพังหลงปู่ร่างกายด้วยวิจาร้วยใจในอดีตค็ดีในช่วงไหนๆก็ดีในใจของข้าพเจ้าที่รู้เท่าไม่ถึงการในประวัติหลวงปู่ด้วยกับจิตญาณในอดีขอหลวงปู่โปรดหัวศีลธรรมให้ข้าพเจ้าให้กับผมเดินเนี่ยกับผมขอกราบคาวะหลวงปู่หลวงปู่จะได้ถือโทษปลดเครื่อง กับข้าผมแต่หลวงปู่เขาเหมือนกันในประมาทพลาดพลั้งพวกก้าผมดื่อตายด้วยวยาจาด้วยใจที่มันไม่ไม่ถูกเท่าก้าผมเองก็ยินเดียวเฮ้ยทานพระิคราบให้หลวงปู่ขอหลวงปู่ไปสุขติตามกติพกขององค์หลวงปู่ทุกประการข้าผมยินเดียวพระสิทําให้หลวงปู่น้าหลวงปู่ไปดีพอเสร็จแล้วก็วางออกไม้จัน พอว า, างออกมาจันเสร็จออกมานั่งจากนั้นไม่นานพอได้เวลาก็ออกไฟเผาหลวงปู่ออกร่างกายเอกสตรีและสังขารหลวงปู่ไปชุมเพลิงพระรชาระรชทานเพลิงหลวงปู่เพพระราชทานเพลิงหลวงปู่นะขานีนะ่ใจของหลวงปู่ดวงวิญญาณของหลวงปู่อัตติอัตโนนาโถตนแล่ปที่พึ่งของตนโกหินาโผปรโรติยา คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราของปู่จะได้กล่าวในหน้าติอจันหิอจันโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหิตนาโถปรโรศยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้น อ, น, ะะนอกจากบุญกับบาปนอกจากบุญคือความดีบาปคืออกุศลเอาไปพื่นได้ยังไงบาปไม่พึ่งไม่ได้เพรก็เราทําอะไร เมื่อเราทําไปแล้วบาปอักขศนก็จะต้องให้ผลแหมจะเป็นเพื่อนสองนะเป็นเพื่อนสองของดวงปีญญาแหมแต่อย่าเราจะไปเอาบาปอักขศนเป็นเพื่อนสองเทนะ่านั้นพอเป็นบาปอักขศนเป็นเพื่อนสองอันดับแรกบาปปฏิโยนเราหนักก่อนไปตกอวจีมหาแล้วกตามตามบาปกรรมที่ตนเองพวกเราได้กระทําไว้ถ้าเราทํากรรมหนักเก็จะโยนลงหลุมนึก อ, ออกจากนงานก็หลงลบถหลงตื่นไม่ต้งองมัดมีต้งมากมายนรกเหมือนกับเราติดคุกนะจิดคุกบางขวางจิดติดคุกลาบยาวติดคุกเมื่อติดห้องคงแต่เราอยู่ระอำเภเอติดอยู่เมืองอุดรเมืองอุดรก็ติดห้องหนักห้องเบาอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้กรรม กรรมชั่วให้ผลเมื่อกรรมชั่วให้ผลจบแล้วนะถ้าวกรรมดีให้ผลพอกรรมดีให้ผลพอตายไปแล้วเนี่ยไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปสู่นิพพานพก็พึ่งบุญกุศลพาไปเมื่อพระรหานก็ตายเหมือนกันนะระหว่นนานิพพานเข้าสู่นิพพานอ่แนปะลว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือพระรหาน แต่นอกจากต้องมาคือพวกโผล่ก็ไปสู่โผล่ชั้นโผล่แต่ละชั้นของแต่ละโผล่อีกไปสู่สวรรค์ชั้นของแต่ละชั้นอีกถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เออมาเกิดเลือกเกิดได้เพราะเป็นผู้มีบุญ พ, พามาเกิดถ้าเกิดเป็นลูกไข่เป็นเลือกเกิดเราจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีโอเกิดมาชาตินี้เป็นลูกชาวนาจนหาเงินใช้ไม่ได้ แต่อเ น, นสงสีนันทโสทาให้สรักษาศินของเราสีเลนสุขติยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะสิลสีเลนะโอก็สังปทานผู้จะมีโอคาสมบัติได้เพราะสิลสีเลนะนิพุตติญยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินในเมื่อเรารักษาศินในภบนี้ชา น, น, นี้ฏิอเนสงของสิลอยู่ในจิตใจของเราเป็นเพื่อนสองของเราเราจะไปเกิดที่ไหน เราไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีก่อนวะชาตินี้มันจนว่ะรวยรวยกับเขาบ้างเลยพอไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็รวยเลยก็ลูกไม่ต้องหาหาเงินพ่อแม่หามาแล้วอันนี้สสของตนเองก็มีนะนี่แหละอันนี้แหละเพือบุญกุศลเป็นเพื่อนสองเราจะไปนักจะทานที่ไหนที่ใดก็ได้เพราะบุญเหมือนกับเรามีเงินบา้าว่ากุศลเหมือนกับคนจนไม่มีเงินเพื่อเพื่ยังเป็นนักโทษอีกต่างหาก จนแล้วอย่งนั้นแล้วเด็เป็นนักโทษอีกเพราะไปทํากรรมชั่วมาก่อนในหลักลๆของพระศาสนาถ้าเราก็ศึกษาแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองตายแล้วไม่สูญแน่นอนบาปบุญคุณโทษอนุโสวรร์มีจริง น, น, นั้นขอให้พวกเราพันธสนญัญญาญาติวงศลูกหลานทุกคนนะที่หลวพอได้พูดได้ ก, กล่าวเป็นแนวทางสมบัติธรรมคสอนของพทุทธะให้พวกเรานําไปการกลองไตรตรองศึกษา สรุปได้ ศ, ศึกษาแล้วเราศึกษาเราจะรู้ได้ไม่มากก็น้อยอลากทำคำสอนของพุทธานะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆาจโมทนาให้ก่อนละก่อนนะตินะ